โดยธรรมดาน้ำที่อยู่บนใบบัวน้ำจะไม่ติดอยู่ที่พื้นของใบบัวเมื่อใบบัวเอียงไปในทางไหนน้ำก็จะไหลไปทางนั้นทันทีเพราะที่พื้นผิวของใบบัวมีนวลซึ่งไม่ทำให้น้ำซึมปลายเข็มเป็นสิ่งที่เล็กมากมเมล็ดพันธุ์ผั ก, กาดก็เล็กมากฉะนั้นเมื่อวางมเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็มมันก็จะหล่นทันที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 ก็ไม่ช่วยคนเราพ้นทุกข์หรือจะช่วยให้ชีวิตมีความสมบูรณ์จริงๆการเอาชนะใจตัวเองต่างหากที่เป็นจุดหมายอันแท้จริงของชีวิตเพราะการพยายามเอาชนะใจตนเองเท่านั้นที่จะเป็นทางนำไปสู่ความสาเร็จสมความปรารถนาได้ทุกอย่างในเมื่อสามารถทำใจให้เป็นอิสระได้อย่างสมบูรณ์หรือพูดอีกในย่าหนึ่ง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 แต่บางคนก็เร็วกว่าจะรู้สึกตัวว่าจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะสแสวงหาคืออะไรหรือสมบัติอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดหรือเราควรจะมีชีวิตอยู่แบบไหนจึงจะดีที่สุดปัญหาต่างๆเหล่านี้ในที่สุดเราทุกคนก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองและในเมื่อเกิดรู้ขึ้นมาแล้ว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 ความเจริญในด้านจิตใจย่อมขึ้นอยู่กับความเจริญในด้านวัตถุด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเช่นคนที่จะมีจิตใจสบายสามารถที่จะฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาได้สร้างความดีต่างๆได้ก็ต่อเมื่อร่างกายต้องแข็งแรงมีอนามัยดีและความเป็นอยู่สะดวกสบายมีสียรภาพในการครองชีพเพราะฉะนั้นความเจริญในด้านวัตถุจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับความก้าวหน้านในทางจิตใจ แต่ถึงจะสำคัญอย่างไรความเจริญของวัตถุหลักส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความเจริญในด้านจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงควรพยายามสร้างจิตใจของเราให้เจริญด้ภูมิธรรมต่างๆเช่นเราพยายามหัดให้มีความขยันอดทนกล้าหาญ ร, รู้จักรับผิดชอบและเหนือสิ่งอื่นใดต้องหัดให้เป็นคนมีนิสัยเสียสละหัดให้มีความเมตตากรุณาและมีความยุติธรรม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 ไม่ได้หมายถึงจํานวนมากอย่างเดียวนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคืออาจินกรรมคือทําเป็นประจําแม้จะทําจํานวนน้อยแต่ถ้าได้ทําประจําจนติดเป็นนิสัยจึงจะเป็นวิบาบที่ติดตัวได้แน่นแฟนและให้ผลยั่งยืนได้ดีกว่าการที่นานๆทําครั้งหนึ่งหรือทําเพราะหวังผลเป็นการให้เปล่าด้วยใจเสียสละอย่างแท้จริงซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่นํากับเนื้อนาบุญคือผู้ที่รับทานด้วยนะครับที่จะช่วยขยายผลได้อีกแค่ไหน ซึ่งก็มีตัวอย่างเช่นในเรื่องโลกทิพย์ภาคหนึ่งที่แม้แต่คนตามศาสนาท่านเล่าเรื่องโลกหลังความตายไว้ถึงคนที่ทําบุญได้สร้างโบสถ์วิหารไว้จนมีชื่อโบทนั้นเป็นชื่อของตนแต่ผลปรากฏว่าหลังตายก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์แต่ไปอยู่ในอบายชั้นตนต้นต้องได้รับทุกทรมานในอบายภูมิก็ด้วยเพราะว่ามีปกติเป็นคนมีนิสัยเห็นแก่ตัวที่ทําบุญก็ทําบุญเพราะหวังผลหวังชื่อเสียงให้คนนิยมชมชอบเท่านั้น เรื่องเกี่ยวกับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นถ้าไม่ศึกษาให้ตรงทางจริงๆก็มีโอกาสเข้าใจผิดได้ง่ายนะครับเพราะมีปัจจัยส่งเสริมเกื้อหนุนกันแตกต่างกันไปหลายคนก็เกิดมิจฉาทิฏฐิที่เห็นคนทำชั่วในปัจจุบันและกลับได้ดีมีสุขร่ำรวยซึ่งความรวยนั้นที่เขามีได้ต้องมาจากบุญเก่าที่ทาไว้ในตะปางก่อนและความชั่วในปัจจุบันก็ยังคงรอให้ผลต่อไป และหลายคนก็อาจจะเห็นผลจริงในชาติหน้าซึ่งคนที่เข้าใจผิดไปว่าทำชั่วแล้วได้ดีนั้นก็อาจจะไม่ได้ตามไปเห็นความลำบากยากเข็นของเขาในภพข้างหน้านะครับความเจริญในด้านจิตใจเป็นเรื่องที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ไม่มีการข้ามขั้นหรือทางลัด เพราะทุกคนกว่าจะก้าวขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตคือการเอาชนะใจตนเองได้อย่างเด็ดขาดและชนะได้ในทุกกรณีจิตใจเป็นอิสระอยู่เสมอเหตุการณ์ต่างๆทาให้เกิดความทุกข์ไม่ได้เลยนั้นจะต้องมีรากฐานในจิตใจสมบูรณ์หมดทุกด้านเช่นเมื่อพูดถึงบา ร, รมีทั้ง1ิบก็จะต้องมีครบทุกด้านหรือเมื่อพูดถึงพรหมวิหารสี่ก็ต้องมีครบทุกขอ้อ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 ส่วนคนที่คิดจะสแสวงหาความเจริญในด้านวัตถุโดยไม่นึกถึงศีลธรรมเขาก็จะต้องประสบความเสื่อมทั้งในทางวัตถุและจิตใจคือในทางกายก็ลำบากในทางใจก็เป็นทุกข์อยู่เสมอหมายเหตุผู้อ่านเรื่องนี้อาจจะมีคนค้านะครับว่าก็เห็นคนทำชั่วอยู่ดีมีสุขอย่างร่ำรวยเหมือนปกติ ซึ่งความเสื่อมทางวัตถุนั้นบางคนก็เสื่อมในเวลาไม่นานแต่บางคนก็ต้องรอเวลานะครับเพราะว่าบุญเก่าแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือความเสื่อมทางใจคือมีแต่วิบากไม่ดีสะสมไว้ในใจและจะยิ่งสะสมมากขึ้นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นก็คือเขาจะทุกข์ใจในเรื่องไม่น่าทุกข์และจะปล่อยวางความยึดถือความยึดติดในทางวัตถุได้ยากมากซึ่งจิตแบบนี้จะทาใจให้สงบได้ยาก จะมีความสุขได้ยากและหลังตายจากชาตินี้โอกาสที่จะไปสู่สุคติได้จริงก็ยากถึงยากที่สุดหรือแทบไม่มีโอกาสเลยอันหนึ่งถึงแม้จะมีหลักอยู่ว่าชีวิตในปัจจุบันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการกระทาในอดีตชาติและการกระทาในปัจจุบัน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 แล้วเราก็จะพบว่าคนที่จะสามารถทาใจให้สบายอยู่ได้เสมอนั้นปัจจัยสําคัญอยู่ที่การพยายามเอาชนะตัณหาแต่คนที่จะเอาชนะตัณหาได้ก็ต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างเพียงพอไม่เช่นนั้นจะเอาชนะมันไม่ได้และจะต้องเข้าใจเรื่องชีวิตตามความเป็นจริงด้วยจะต้องไม่อยู่ในความหลงผิดอันนี้คือรากฐานสําคัญ ที่จะทำให้คนเรามีจิตใจสบายอยู่เสมออันหนึง่งการละตัณหานั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องพยายามบังคับตัวเองทุกอย่างวิธีละตัณหาในแบบที่เราทำกันอยู่เสมอซึ่งเป็นแบบที่ไม่ยากเป็นแบบธรรมชาติก็คือเรื่องการแต่งงานผู้ที่แต่งงานถ้าแต่งด้วยความรัก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 ไม่ตามใจซื้อทุกอย่างนั้นอิเลดในทางนี้จะค่อยๆสงบลงการบังคับควบคุมตัวเองก็ทําได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ทั้งนี้ต้องเป็นการแต่งงานที่ประกอบด้วยคุณธรรมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยเขียนมาแล้วในหนังสือวิญญาณตั้งแต่ปี25งหสองในที่นี้ข้าพเจ้าต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าการละตันหาถ้าทำได้ถูกวิธีไม่ใช่เป็นเรื่องยาก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 ตัญหาหมดไปมากเพียงไรความต้องการที่มีเหตุผลนี้ก็จะเข้ามาแทนที่มากเพียงนั้นขอให้พิจารณาดูคนที่ทำอะไรมีเหตุผลแล้วรู้จักปล่อยวางได้เสมอในเมื่อผิดหวังหรือไม่ได้อย่างใจส่วนอีกคนหนึ่งทำอะไรตามอารมณ์ได้ก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจและบางทีก็โกรธแค้นในเมื่อไม่ได้อย่างใจการมีชีวิตแบบไหน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 ตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตัณหาเสียได้คือความพ้นทุกข์ถ้าหากเข้าใจความหมายของตัณหาถูกต้องจริงๆก็จะเห็นว่าไม่มีใครกล้าคัดค้านหลักพุทธศาสนาในเรื่องนี้เพราะการที่จะทำใจให้สบายอยู่ได้เสมอนั้นมีอยู่วิธีเดียวซึ่งได้ผลแน่นอนและเป็นหลักสากลคือการพยายามเอาชนะตัณหาให้ได้นั่นเองอย่าลืมว่า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 เพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งใจจะละตัณหาจะต้องพยายามละอวิชชากับอุปาทานไปพร้อมๆกันด้วย